วันนี้เป็นวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เมื่อวานหลวงพ่อได้ออกไปฉันข้างนอกไปฉันที่อุดรนดิมนต์จตหายาตโยมองนิมนต์พระทั้งหมด11เอ 11. เอเจ้าอาวาสมั้งไปฉันรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนมีมากเมืม่อวาน ท่านคนเก่าแก่ของอุดรก็เห็นหลายๆคนไปฉันที่สวนอะไรสวนน้ำอะไรหลวงพ่อไปนั่นะเมื่อาวานออกไปตั้งแต่ตีห้าเมื่อวาน <c oughs> ไปตามถนนก็รู้สึกว่ารถเยอะกว่าจะไปถึงได้เจ็ดโมงกว่าแล้วก็วันที่สิบ ที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่สิบสองก็นา่าจะทาติโยมวันที่สิบพวกเราได้รับเด็กนักเรียนสตรีราชินูทิศโรงเรียนประจำจังหวัดอุดร อ, อุดร อ, อุดรพิษสตรีราชินูทิศ <c oughs> เป็นโรงเรียนผู้หญิงเด็กนักเรียนหญิงรู้สึกว่ามากมามวานัน มาวันที่ส0บทั้งหมดทั้งครูบาอาจารย์เจดรอแต่ถึงยังไงมานั่งสลาหลวงพ่อยังไม่เต็มวะโอ้สลาหลวงพ่อไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะอพอเห็นนักเรียนมานั่งจัดที่นั่งดีๆแล้เจ0ดร้อยกว่าเนะี่ยดูๆแล้ว เ, เพียงพักข้างบนก็ยังไม่เต็มไม่เต็มดีก็คิดว่า ศาลาของเราถ้าให้นั่งสบายๆทั้งหมดคงจะประมาณพันกว่าหลวงพ่อว่านะถ้านั่งให้เต็มจริงๆประมาณพันห้าที่เห็นเด็กนักเรียนเมื่อวานวันที่สิบเนี่จดร้อยคนนั่งแต่ก็ยังว่านะเด็กมันตัวมันเล็กกว่า แต่ถึงอย่างไรมันก็ก็รู้จักปริมาณา ป, รประมาณบ้างประมาณได้ว่าเ ด, เด็กนักเรียนมานั่ง700กว่าคนเนี่ยนั่งได้ขนาดไหนฮะศาลาของเรากนใหญ่พอจุควรศาลาหลังนี้ก็คิดว่า <c oughs> เกิดประโยชน์ต่อลูกหลาน <c oughs> แต่ถึงยังไงคณะชาทาญ า, าติโยมลูกหลานทุกคนต้องศึกษาธรรมะศึกธรรมะต้องศึกษานะลูกหลานนะไม่ใช่ว่าดูดูจะรู้เอาได้ทั้งหมดเลยรู้ได้ก็ูด้วย ร, รู้ได้โดยทิฐิม า, น, านะแต่ว่าขารู้ขาฉลาดปาหมาดไปหมดผลในสุดนะตาบอดตกเขวตกบ่อ ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราายในการศึกษาายในการเรียนรู้เราอยากจะเป็นคนดีเราจยาจะเป็นพระที่ดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีถ้าเราศึกษาแล้วนะเราจะรู้ได้แต่ขนาดหลวงพ่อเองหลงพ่ อ, อยังฟังนะฟังธรรมะ อย่างวันวานวันก่อนหลวงพ่อก็ได้ฟังเรื่องเรียงอริยภูมิขององค์หลวงตาแต่ลูกหลานไม่ได้ฟังฟังนะหลวงท่านหลวงตาเรียนเรียงอริยภูมิสักกายทิฏฐิวิชีกิจฉาศีลพัฒประมาตนท่านเรียงได้ดีมากท่านเรียงอริยภูมิ ท่านเลียงแบบภาคปฏิบัติแต่ท่านก็เ อ, ง, อ, ง, องปริยัตปริยัติว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่เมื่อปฏิบัติแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ท่านเลียงท่านพูดมีเหตุผลเหมือนกับถ้าจะว่าท่านเลียงผู้ที่เขียนตำรา ผู้ที่รู้ที่แรกก็ใช่ก็คงจะเป็นแต่ผู้ที่เขียนตำราอาจจะเพี้ยนเพียนไปบ้างตามความคิดเห็นของตอนเองแต่ผู้เดินตามทางจริงๆริงก็ไปแนวแถวนั้นแหละแต่ว่าจะให้มันไปอย่างที่ตำราบอกก็คงจะไม่ใช่ถึงอย่างนั้นพอเดินเข้าไปแล้วมันไม่ใช่แต่มันเดินแต่มันก็ไปแนวแถวเดียวกันนั่นแหละแต่ตำราอ า, อาจจะพูด พูดในแนวคิดเหนือกว่าเพราะผู้มาได้ปฏิบัติแต่ผู้ปฏิบัติแล้วมันมันต้องไปตามแถวแนวนี้ที่หลวงตาพูดท่านแสดงความคิดเห็นในท่านเรียงริยภูมิตามแนวแถวของหลวงตาพวกเราฟังฟังดูนะถ้ามีอยู่ในแว่นดวงใจหนังสือหลวงตาเล่มใหญ่ ถ้าให้เราศึกษาดูถ้าเราศึกษาดูทุกวันนี้คงจะมีมั่งกดไปกันดวงตามหาบัวหท่านพูดเรียงอริยภูมนะิคงจะเป็นตัวหนังสือหรือเป็นธรรมเทศนาออกมาให้ฟังๆเนาะ น, น, นลูกหลานแต่สรุปแล้วแต่ลุงพ่อสรุปบอกว่าวก่อนที่จะไปถึงอริยภูมิหนะท่านพูดถึงผลแล้วแต่วิธีการเดินมัก ที่จะไปสูริยภูมิน่ยท่านเดินอย่างไรเนี่ยไม่ใช่ว่าปูปรับมาแล้วกับไปนั่งขายของเลยก่อนที่จะได้ทุนไปขายของจุดนั้นอ่ะท่านทําอย่างไรอันนี้มันต้องมีมันต้องมีเบื้องต้นซะก่อนเดินไปถึงจุดนั้ น, นถึงจะไปพูดเรื่องผลผลอริยภูมิเป็นยังไง แห่งการความรู้สึกในจุดอริยภูมิแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงอริยภูมิจุดนั้นจุดที่เบื้องต้นเราควรทำอย่างไรนะที่หลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกก่อนที่พวกเราจะไปถึงอริยภูมิเราเดินอย่าง ก, กรมยังไงเราภาวนาอย่างไงเราปฏิบัติอย่างไงเราวางใจอย่างไงแนวความนึกคิดของเรา เราบังคับจิตใจของเราอย่างไรอันนี้คือเบื้องต้นที่พวกเราจะเดินไปสู่มรรคผลเหมือนกับคนที่จะเขาจะเป็นเศรษฐีอย่างพวกเราอ่านประวัติเขาอย่างสินโสผลพาณิชเนีย่ยที่ท่านมาอยู่เมืองไทยท่านก็บว่าขายก๋วยเตีย๋ยน่ะนั่นแหะนั่นแหละกอไก่หรือว่าเอ วันหนึ่งนับหนึ่งจากนั้นท่านเก็บหหอมรอมริบอย่างไรท่านยังได้เป็นเศรษฐีแต่พอมาเป็นเศรษฐีท่านก็พูดให้ฟังข้าพรเจ้ามีเงินเท่านั้นเท่านี้จนเป็นที่ยอมรับของเมืองไทยอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นท่านภาวนาครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านภาวนาอย่างไรท่านปฏิบัติตนอย่างไรที่แรก จากนั้นท่านก็ได้มักได้ผลเป็นที่พอใจในการประพฤติปฏิบัติของท่านแต่นี้เราแต่ละครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็ไปแนวแถวเดียวกันแต่บางองค์ท่านก็อธิบายไม่ชัดเพราะท่านภาวนาไปแล้วก็แล้วแล้วไปลืมลมไปแล้วก็ได้ผลแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรอย่างไงให้ฟัง เพราะท่านไม่มีอุปนิสัยในการอธิบายไม่แตกฉานในอัตในธรรมก็มีอย่างพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าที่ท่านได้สำเร็จที่ท่านได้ได้ตัรู้ตัดรู้พระปัิเจกพุทธเจ้าแต่ในจุดหนึ่งของที่ท่านได้ตัดรู้นคือเกิดความสดใจสังเวทใจ ออรู้ว่ารู้เห็นความเป็นจริงในใจในจุดนั้นจากนั้นท่านก็สละทิ้งเลยเ อ, อ, อย่างที่ท่านไปเห็นใบไม้ร่วงใบนใบไม้เหลืองนะมันหล่นพอไม้ไม้หล่นนะั้นท่านก็น้อมมาหาตัวของท่านออร่างกายสังขารทุกคนเนะี่ยมันร่วงหล่นจริงๆมันไม่อยู่มั่นคงถาวรกบเหมือนเหมือนกับใบไม้เนะี่ย มันเกิดมาทั้ดมันล่วงทั้งหมดโอ้โหทำไมใจของเรามันจึงไปติดไปคล้องไปแวะ ก, กับโลกวัฏสงสารถึงขนาดนี้พ่อท่านคิดได้แต่นั้นน่ะท่านก็ได้ตัดสู้เป็นพระปิจิตรพุทธเจา้านะแต่พวกเราเห็นใบไม้ในวัดของเราหล่นแล้วหล่นอีกกองพเพลินเทินเถกพวกเรายังโมโหใบไม้อีกทไมมันหล่นมามากเลยโอ้ต่แ ต, ต, ต, ต่ปัดกวาดไม่วัดไม่ไหวหน้านี่ไงเฮ้ เราไม่ได้เห็นอนิจจังอย่างพระประเจกบางทีท่านไปทำงานกับหมูเพื่อนอย่างที่พวกมีคนคนหนึ่งพระประเจกท่านหนึ่งท่านไปถางป่าในหน้านี้นะท่านไปถางป่าถางป่าทำทำไร่ทงจะเป็นไร่เรื่อนรอยมั้งไปก็เลยไปแบ่งกันชี้เขตเ็ดแล้วก็เอือคุณเดิน คนเอาข้างนี้ผมจะเอาข้างนี้ลักษณะนะ่ะจากนั้นก็ได้ถางเป็นเป็นคู่ขนานกันนะเนี่ยถางเป็นคู่ขนานไปนพอไปถางเป็คู่ขนานกันแล้วก็ก่อนที่จะถางไปเนะี่ยก็ได้เอากล่องข้าวแล้ว่าน้ํากระบอกไม้ไผ่กระบอกน้ำํำเอาไว้ตั้งไว้ที่ที่จุดนี้ซะก่อนพอตั้งจุดแล้วพอเราตั้งต้นที่ อยู่ในต้นไม้ตัวนี้แล้วก็เราก็ถางไปได้ตัวนี้ถางเป็นคู่เป็นถางเป็นคู่ไปพอถางไปเหนื่อยไปถึงถุนเออเอาละมั่งขนาดนี้ไปไปเอาน้าํามาดื่มไปออแต่จะมาทั้งสองคนก็ยังไงอยู่คนหนึ่งก็เลยคอยอยู่ทางนูง้นให้คนนี้เอาน้ํากระบอกนี่ไปให้พอเป็นน้ำสองกระบอกคนละกระบอกกันแล้วอาหาร ก, กร็คนงละถุงกัน พอที่คนที่มาเนี่ยมาเอาน้ำเนี่ยพอมาเอาน้ํามาคิดโอ้เราหิวน้ํำมากเหลือเกินน่ยถางป่าเนี่ย ม, มันหน้านี้ละน่านเดืเอนกุมภาเมนาเนี่ยพอมาแล้วก็เอาเปียบหมูที้เนี่ยเอาเปียบไอ้นั่นอะ่ะเอากินของไอ้นั้นก่อนเนี่ยอย่างน้อย ก, ก็อึกสองสามอึกเน่ยคนเห็นแก่ตัวมันเป็นอย่างนั้นนกิเลเนย ได้ได้เปรียบคดหน่อยหนึ่งก็เอาเหมือเกัะอพอขึ้นมาแล้วก็กินน้ำเขาก่อนอในกระบอกเพราะว่าน้ำมันจำกัดพอกินเข้าไปกินเากินน้ำเขาเสร็จแล้วก็ เ, เตรียมไปส่งไปส่งกระบอกน้ำให้เขาพอขนาดกินน้ำเข้าไปแล้วแต่นี่คิดสำนึกได้เอ เราก็มาด้วยกันมาถางป่าด้วยกันกระบอกน้ำก็เท่ากันแต่เราทำไมไปหาเอาเปรียบเขาเพียงแค่นี้เราไปกินน้ำของเขาเขาก็คงไม่รู้หรอกคงย่าไม่ใส่ใจหรอกแต่ว่ามันมันเราเนะี่ยมันไม่น่าจะทำไปหากินน้ำเขาได้อย่างไงมาด้วยกันแต่เขาก็หิวเขาก็คอยอยู่นู้นเราก็หิวเหมือนกัน เราทําไมจึงเอาเปียบเอาเปียบถึงเขาได้เออใจของเราเนี่แปลกว่ะทําไมถึงทําได้ขนาดนี้วะใจของเราน่านานาานะพอเนิบคิดนะเขามาหาใจสลดสังเวชใจในใจของตัวเองอย่างอย่างมากอย่างลึกซึง้งเออพอคิดเข้ามาหาใจตัวตัวนั้นนะทําไมใจของเราจึงไปไปเอาเปียบอืเพื่อนที่มาด้วยกัน ถึงขนาดนี้ได้มันคิดได้ยังไงมันทําได้ยังไงใจของเราเนี่ยพอกําหนดเท่านั้นละ่ะท่านได้สําเร็จเป็นพระปัจเจกเอ่นั่นในตําราทันว่างั้นนะพอได้สําเร็จเป็นพระปัจเจกท่านบอกโอ้เออใครข้าวิสละกิเลสในจุดนั้นออกจากใจเลยกิเลสราคะโทสะโมหะกระเด็นออกไปจากใจเลยเพราะความรู้แจง้งเห็นจริงเราไม่น่าทําอย่างนี้คือมันมัน ทำมันมาอยู่ในใจนะเออเหมือนกับเหมือนกับน้ำพุน้ําพุ่งนะเออเวลาน้ํามันจะพุดขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมเออเราเจาะไปหน่อยเดียวนั้นน่ะน้ามันพุ่งขึ้นมาเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะพอเอาธรรมปัญญาเขี่ยลงไปในจุดนั้นนะ่ะเออความรู้ความบริสุทธิ์จุดนั้นก็พุ่งขึ้นมาเลยท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระปเจกพุทธเจ้า พอไปเจว์พุทธเจ้าท่านก็ถือน้ําไปพอไปถึงน้ําไปท่านก็มอกมาเอาอเอาน้ําอืมเอาน้ําน้ําดืมซะอแต่ข้าพเจ้าได้เป็นพ่อปเจกแล้วนะอพูดเลยนะ เ, เราได้เป็นพ่อปเจกแล้วนะทั้งที่เป็นโยมนล่นะ เ, เป็นโยมใ ส, ส่ชุดถังถางไล่นะอย่งบอกว่าเราได้เป็นได้เป็นพ่อปเจกแล้วนะคุณ คนนั้นกิดอ้อเพราะประเจกเขาจะไม่เป็นอย่างนี้นะเพราะประเจกก็ต้องมีศีรษะโล้นมีผ้ากาศวพัดเป็นพระมันจึงจะจึงจะเป็นพระประเจกได้คุณเน่ยเป็นโยมท่านเน่ยเป็นโยมอยู่อย่างนี้จะเป็นพระประเจกได้ยังไงนะพอว่าเท่านั้นแหะพระประเจกท่านมีอภินิหารท่านมีฤทธิ์เนี่ยใจของท่านเป็นพระประเจกละท่านั้นท่านก็อามือลูกบนศีรษะของท่าน พอมือรูปท่านน่ะผมผมหนึ่งเออผมหนึ่งหลุดออกไปทั้งหมดเลยแล้วก็ผ้ากาสาวพัดก็ลอยมาอัฐบริขารก็ลอยมาเลยเออพอลอยมาก็สวม เ, เปลี่ยนชุดใหม่เลยนี่แหละอันนี้คื อ, ค อ, คอการบวชของพระปัจเจกพุทธเจ้าตามตำราในพระไตรปิฎกท่านตรัสไว้อย่า ง, งานั้นเพราะบุญบา ร, รมีของท่าน แต่สั่งสมมาเท่าไหร่สี่อสองไข์กําไรแสนมหากรัปพระอ克拉สาวก ข, ของพระพุทธเจ้าเนี่ยสองอสองไขย เ, ยเออพระประเจกนี่มากกว่าอาลองลองจากพระพุทธเจ้านี่แหละเมื่อท่านได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าเออเอาถางป่าต่อไปนะแล้เวเราไปนะท่านก็เหาะเลยเาหาะไปอยู่กระหมูของท่านที่เขาขันธมาต ป่าฮิมพาลนี่ยเป็นกลุ่มพระประเจกกลุ่มพระประเจกเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นอยู่อยู่ในกลุ่มหนึ่งพราท่านไม่ต้องอยู่ใกล้มนุษย์เดีวเวลาท่านจะมาโปรดมนุษย์ท่านก็มองดูเหมือนกับเลดา่านะส่องออกมาดูเออใครจะมีศรัทธาใครเคยเป็นญาติของเราเคยเป็นญาติโกโหติกาของเราในอดีตชาติเราจะไปโปรดเขาเขามีศรัทธาไหมเขามีความเชื่อไหม เออในมีเขาเชื่อเขาอยากจะได้บุญไหมเขามีเขาเชื่อในการทําบุญทําทานไหมท่านก็เพ่งออกมาดูโปโมโนโอเขามีสถานเขาพร้อมของทําบุญทําทานเขามีวันนี้เขามีอาหารเขาเตรียมไว้อยู่อพระเปะเจก็เหาะมาเลยมากเดินมาให้เขาเห็นผู้นั้นเห็นก็ศรัทธายังลึกซึงเห็นพร ะ, ประเปโตรพูดถึงเจ้า อย่างนันก็ไดรทำบุญนั่นแหละถ้าผู้ใดได้ทำบุญอย่างนั้นแปลว่าเหมือนกับถือหัวแจ็คพอร์ตและทนีน่เพราะได้ทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าเนะี่นี่แหละสรุปแล้วก็คือทมคำสอนเนี่ยแต่พระประเจกพุทธเจ้าเนะี่ยท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านรู้ด้วยพระองค์เองแต่พวกเรานี่สาวกะสาวก ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็คือพระโคตมะจากนั้นก็มีพระสงฆ์สาวกที่นำพระธรรมทำคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศออกมาเผยแผ่ออกมาแนะนําวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ท่านตรัสรู้อย่างไรจากนั้นพระสงฆ์ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์สอนพระสงฆ์พระอัครสาวกหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้า สอนอุบา ส, กบาสิกาในยุคนั้นท่านสอนอย่างไรจากนั้นพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแพ่แนะนำสั่งสอนจนมาถึงยุคปัจจุบัน 2,558 ปีแต่ก็ตกต ก, ตกล น, ล น, ลนบางทีบางคนก็เอา เรื่องความคิดของหดของตัวเองเข้าบ้างแทรกเข้าบ้างแต่ถึงอย่างไงก่อนเมื่อจะแทรกเข้าก็ยังมองหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไว้อยู่อนาคก็ยังดีเผลอๆยังมาตัดมาทอนอีกต่างหากเพื่อให้ได้อย่างทิฏฐิมานะกิเลสของตัวเองต้องการก็มีมากต่อมากเหมือนกันเพราะฉนั้นพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังต้องฟังฟัง อย่างที่องค์หลวงตาที่ท่านเรียงอริยภูมิอย่างนี้แต่หลวงพ่อฟังดูแล้ว อ, อืเข้ากฎเกณฑ์แนวความคิดในภาคปฏิบัติที่หลวงตาแนะนําสั่งสอนแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นเราทําอย่างไรก็อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านให้ทําอำวิธีการเดินโยกรมทํำยังไงวิการนั่งภาวนาทํำยังไงวิธีการทําจิตใจให้สงบทอย่างไร เมื่อจิตใจสงบผ่านความสงบแล้วมาพิจารณาเดินวิปัสสนาพิจารณาอย่างไรทําใจอย่างไรในจุดนั้นอันนี้ก็คือเป็นวิธีวิถีทางและวิธีนะดําเนินการประพุทธปฏิบัติของพวกเราอันนี้พวกเราต้องศึกษาทีนี่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้แนวแถวที่พ่อแม่กูบาอาจารย์ใหป้ปฏิบัติแต่สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็พูดใน เทปในเอ็มพสามากต่อมากในจุดนี้วิธีการเดินมักวิธีการเริ่มต้นวิธีวิธีการที่จะปลูกข้าวนะ เ, เตรียมพื้นที่ยังไงเตรียมพื้นนาอย่างไรเตรีย ม, มเมล็ดพืชอย่างไรก่อนที่จะปลูกให้เป็นก่อนที่จะลงให้เป็นต้นพืชจนถึงได้เก็บเกี่ยวฮะเออ ไม่ใช่ว่าปลูกปรับมากเกิดไปหาเก็บเอาเข้าที่เขาเออมันออกรวงแล้วน่ะเออมันจะได้อย่างไงมันไม่ได้อะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นก็ต้องวิธีการจะปลูกวิธีการดําเนินทีแรกจนถึงมักรถึงผลถึงผลอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะวิชาทุกวิชาในโลกนี้ี่มันต้องรเรียนต้องศึกษาทั้งนั้นแหละ มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านว่าสยามผู้รู้แจ้งโลกพระพุทธเจ้าสยามผูรู้แจ้งโลกกันนอกนั้นแสาวกา่าแล้วจะเป็นผู้ศึกษาแต่ละวิชาอาชีพพวกเราดูสิอย่างกฎหมายนี่กฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายในประเทศกฎหมายแต่ละประเทศเป็นยังไงเกษตรมีกี่อย่าง วิธีทำอาหารมีกี่อย่างหม อ, อ, อที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกวันดูสิริ่งประเทศริ่งเจริญหมอเจริญเท่าไหร่ก็ยิ่งแยกออกออแต่และฟันฟันก็มีกี่อย่างในฟันนั่นอีกออกระดูกก็มีกี่อย่างมีมากมายอันนี้ละแต่ละวิชาอาชีพเขาก็ต้องศึกษากันทั้งนั้นเพราะนั้นวิชาของพุทธศาสนานี่พวกเราจะคิดโห้พุทธศาสนาห่วย จะว่ายอย่างงั้นเลยมีแต่คนตาบอดหูหนวกเท่านั้นแหละพูดอย่างนั้นได้นะแต่ถ้าว่าพูดที่เข้ามาศึกษาแล้วโอ้วิชาถอดถอนกิเลสภายในจิตในใจเออหรือภพหรือชาติจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเอออันนี้มันไม่ใช่วิชาธรรมดาเนี่ยเป็นวิชาหรือภพหรือชาติยิ่งกว่าวิชาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น แต่วิชาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านะั้นเป็นวิชาตะคุบเงาเท่านั้นเองคือใช้สัญญากับสังขารสัญญาคื อ, ค, อความจําได้หมายรู้มาแล้วก็มาบวกกับสังขารคือความปรุงแต่งอจากนั้นก็เนี่ยแต่งตําราออกไปตะคบุบคนนั้นกระทบคบคนนี้ตะนี้ตะคบุบตะคุบไปตะคุบมาฮอก็ว่าเป็นข่าเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ข่าเนี่ยเป็นเอผู้เชี่ยวชาญ ข้าเนี่ยเป็นผู้โปรฟิเซอร์เออเป็นเป็นเซอร์เออเป็นเซอร์คุณเซอร์เออมีมากวัยแต่ตามไม่จริงนะนะท่าหลักของพุทธศาสนาและท่านบอกว่าตะคุบเงาตะคุบเงาตน เ, เ, เ, เ, เองเออพอคนนี้ขึ้นมาเลยคนนั้นก็นคนนั้นเหนือกว่าเพราะในช่วงวกกันไปเวียนกันมาเอากันเอ า, ก เ, อาเก่าเอาคนเก่าขึ้นมาพูดเล็ก เออเพราะมันพูดเออตื่นหมายอีกเออเพราะว่าขนคำนี้มันมันมันหายไปแล้วมันหายจากศัพท์ไปแล้วนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือวิชาในโลกนี่มันหมุนเวียนกันมาไปกันมาแต่ทำหลักของพุทธศาสนาก็ใช่เอาเป็นพระธรรมก็เป็นของเก่าเหมือนกันนะแล้วทำไมว่าเป็นของเก่าพราะพุทธเจ้ า, าอ่ะเอสธัมโมสนันตโนพระธรรมนี่ก็เป็นของเก่าร เก่าสมัยไหนเก่าตั้งแต่สมมุนพระพุทธเจ้าเกิดจนนับประมาณไม่ได้จะถึงมายุคนี้ก็ว่าในพัฒกับนี้ก็มีห้าพระองค์กัคุสันโธโกณคขมโนกัสสปโโคตโมยังมีพระอริยะเมตตาอีกพระรอริยเมตตโยเกิดขึ้นมาอีกพระพุทธเจ้าที่บางครั้งที่ท่านดูที่ท่านดาเนิน ตามพุทธะเนี่ยท่านก็มองดูรุ่นพี่ของท่านนะลุ่นพี่ของท่านเอในรุ่นพี่ของเราพระพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนเน่ยท่านทําอย่างไรในเรื่องอย่างนี้เนี่ยท่านเรื่องอย่างนี้ท่านทําอย่างไรอย่างภาษาฤาษีพุทธพระโมคขลาก็าเหมือนกันก่อนที่ท่านจะปรินิพานเอพระพุทธเจ้าจะปรินิพานอายุท่านแปดสิบตามปกติเนี่ย ลุ่นก่อนๆพระพุทธเจ้าอ้วนก่อนๆลุ่นพี่ของเราก่อนๆเนีพระสาวกนี่จะปรินิพานหลังพระพุทธเจ้าหรือปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าเนานะท่านก็เล่งญาณทัศน์ญาเล่งฌานนะดูในอดีตอดีตชาติของท่านเดีย่ยว่าปุกเพนี่ว่าสารุสติญาณท่านก็ได้ใช้ญาณญาณทัศน์นของท่านเล่งไปในอดีตชาติโอ้ พระสาวกต้องปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาเนี่แหละเป็นตัวอย่างจากนั้นพระสารีบุตรท่างก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพองค์ขอลาปฏินิพพานก่อนพระเจ้าข้าเออไปทําการ อ, อันควรของเธอตนนสารีบุตรนะไปตามการอันควรของเธอนะสารีบุตรพระเจ้าข้าแต่ว่าก่อนที่จะไป ก่อนที่จะปรินิพานนั้นควรจะแสดงบุพกรรมคือกรรมดีให้น้องๆฟังก่อนนะ เ, เพื่อเป็นแบบอย่างของปาฏิพเจ้าค่า น, ะนี่แหละภาษาไรบุตรก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ในครั้งนั้นอย่างจากนั้นก็ลาพระพุทธเจ้าไปปรินิพานพระโมคคลาก็เหมือนกันถึงจะถูกโจรฆ่ า, าตายแล้ว เรายัางไม่ได้กราบลาพระพุทธเจา้าเราควรไปกราบลาพระพุทธเจ้าก่อนนะท่านก็ไปสารร่างกายให้เป็นอย่างโมกคลาเหมือนก็ไม่มีอะไรแล้ก็ไปกราบลาพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเออเอาไปตามการอันควรแต่ละโมกคลาจากนั้นไปกราบลาเกิดแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างที่ว่านะบุพกรรมเสร็จแล้วท่านก็มาวางทิ้งตรงที่โจรถูกฆ่านี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพุทธะ แล้วขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะต้องศึกษาสรุปแล้วต้องอาศัยได้การได้ยินได้ฟังแต่หลวงพ่อเองมีแต่ชี้นาชี้เนีะเท่านั้นเองชี้ทำพูดอย่างนี้นะลูกหลานนะศึกษาอย่างนี้นะลูกหลานนะให้ฟังอย่างนี้นะลูกหลานนอะแต่เพิงเผลอบางคนก็ยังเฮอิจฉาหลวงพ่ออีกตางหามือวานเหมือก่อนหลวงพ่อก็เห็นเขาเขียนขึ้นมาหลวงพ่อออืเอ้ยหลวงพ่ออยู่ไม่นานแล้วลูกหลานนะอายุเจ็ดสิบแล้ว โยมพี่ขอล้งพ่ออายุเจ็ดสิบสองเองเออมีแต่โยมพี่สาวหนะ่อยแปดสิบกว่าแต่หลวงพ่อมาอยู่ไม่รู้จะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะอ่าเพราะนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้คิดว่าจะอยู่ในโลกวัตะสงสารนานเท่านานลูกหลานที่อยู่ก็อยู่ไปแต่น้ลูกหลานตายไม่เป็นนะอย่าไปตายนะลูกหลานนะอ่า อ, อยู่มันเป็นหมื่นปีนะลูกหลานนะแต่มันก็อยู่ไม่ได้แหละวะร้อยปีก็ยัง ออยู่ในห้องแนละ้วยนอนลงไปกับตาเรื่อมแมปแมปพอเห็นร้อยปีในลูกหลานไปเห็นมหมพอเห็นร้อยปีเลยตาเรื่อมแมปแมอช่วยคนอื่นไม่ได้จะอยู่ไปนานจากทะรลกอกข้าวตม้อามาอย่างไรจะเอาไหมอย่างนั้นโอ้ยหลวงพ่อไม่เอาแล้วไปดีกว่าวะเพราะฉนั้นหลวงพ่อนะอายุถึงขนาดเนี่หลวงพ่อเออสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีลูกหลานนะ่าจะตั้งอยู่ในความประมาท อย่าไปคิดช้าอย่าไปจะไปอิดชาพยาบาทอาฆาตจองเป็นใครอื่นเขาของใครของเราบุญของใครของเราอย่างพระเทวทัตไปอิจฉาพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนะไปอิดชาได้ยังไงบุญบารมีของท่านมันเป็นเรื่องของใครของเรากรรมของใครของเราบุญของใครของเราแต่หลวงพ่อเทวทัตเนี่ย ทำไมพระพุทธกรรมกรรมของพระเทวทัตจึงให้จึงให้พระเทวทัตทำกรรมถึงขนาดนั้นแต่ตามไม่จริงทำได้ขนาดได้ขนาดนั้นน่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยให้เทวทัตสํานึกขึ้นมามันก็นาก้าพระเทวทัตก็น่าจะสํานึกได้อันนี้โหเทวทัตยิ่งก็พยองพองตัวกระโดดโลดเต้นจนพอแรงจนนาทีจุดท้ายแผ่นดินสูบจึงสํานึกได้โอ้ มันลึกเกินไปหลวงพ่อว่านะ <c oughs> แต่ทายังไงได้กรรมของท่านอันนี้มีเราแต่เมตต์นึกคิดนะให้มองตัวเองเท่านั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีให้ใหมองตัวเองอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีเรื่องของอื่นคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นแต่พอที่เราจะปรับปรุงแก้ไขเขาได้แล้วก็เออเอาช่วยปรับปรุงแก้ไขเขาแต่เมื่อเราปรับปรุงแก้ไขเขาไม่ได้ จะทำยังไงได้พระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่า เ, เมตตากรุณามุทิตาอุเปกขานะยังมีธรรมอุเปกขาเนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกนั้นเราก็วางฝึกหัดวางอุเปกขาบางซีนะรับพรในที่นี้รนะับพร <c oughs> ประสงค์อนโมทนาให้พร